ความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระราชกุมารก่อนแต่สำโธิเมื่อเป็นโพธิสัตว์อย่างมิได้ตรัสรู้แม้เราก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์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 เกิดแต่วิเวกอยู่นี่กระมังหนอจะพึงเป็นมกคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความรู้สึกชัดแล่นตามสติว่านี่แหละคือมกคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความคิดว่าเรากลัวไหมต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอากุศรธรรมทั้งหลายและได้มีความคิดต่อไปว่าเราไม่กลัวต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกาม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 เอิบอิ่มบางคนถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้แล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนพูดเท็จแล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอตนด้วยกามาคุณทั้งห้าดูกระจุนทะสุขคลิการนโยกสี่อย่างต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโร ธ, เ พ, โรธเพื่อความสงบเพื่ออภิญญา